ไปเกิดเป็ุรกายไปเกิดเป็นสันติรสานไปเกินผู้ผีปีศาจนี่นอนไม่ตบ่องส่หรที่นีที่พวกเราเกิดมาชัางเป็นศัตรูช่งเป็นบุคคลมาผ่านมากชาติยอนไปนีตมันเป็นมือเป็นที่แสนเป็นน่านาชาติกที่เกิดีการเกิดแก่เตายแเขาเพราะสเจ้าเาามัดเป็นทุกข์จว่าชาติที่ปีสุขาชาตกกิเป็นทุกข์แก่ก็เปทุกข์แก่ไปใั้วกบทุกข์แจกตาทำไรก็เป็ทุกข์เพราะฉะนั้นที่ จุดหมายปลายทางจริงที่พระพุทธเจ้ามาสัมมาส่วนศาสตร์โลกข้างในจึงมาไปทายทางจริงฉันมาสอนอย่าให้ศาสตร์โลกมาปฏิบัติมาผลตัวตนออกจากผมเกิดผมแก่ผมเก็บผมตายเพราะนี้สรุปแล้วสาเหตุที่มันจะเลยมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายในโลกมันฟออะไรมันมันหลงอะไรสรุปแล้วมันหลงมันหลงตนมันไม่เห็นตนเมื่อไม่เห็นตนก็มายึดอวัยวะสักวาระกายตนตัวนี้ว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นถามเป็นคนถามเขาก็ได้ทําร่างกายทำแขนเข็บพึงไม่แขนไทยเนื้อนันอาบัยยาวัตทุกส่วนไม่เป็นถามเขาลงดูเพราจะมีความรู้สึกหรือคิดมันน่นมันไม่มีมิจิใจของเราเนี่หลงหลงมาเกิดมาแขนมาเก็บมาตายรู้แล้วไม่หลงอะไรเด็กมันลงตนไม่าเห็นตัวนั้นก็ไม่เย็ดร่างกายที่ในนิควอนเชกอลกายเนี่ยไม่มีอะไรบ้างจริงหมดทั้งโลกนี่รู้ปู่ว่าไม่มีของสี่อย่างเลย มีมีอะไรมีมีทัดยิงทาบน้ําท่าไฟทัาลมรวมกันเป็นก้อนเรียกว่าลูกร่างกายทั้งลูกสัพท์ทั้งลูกคคไม่เท่านี้ที่นี่ที่มองเห็นด้วยตาพวกข้าวธรรมดาธรรมดาไม่มีหน้ํากับดินส่วนไฟกความร้อนไฟก็ไม่มีตัวมีตนควร้อนลมก็ไม่มีตัวมีตนที่จิตใจของพวเราก็ไม่มีตัวมีตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นะ ที่มันลงมาเกิดมาแกมาเกิดมาตายในโลกไม่มีที่สิ้นสิทธิพระพุทธเจ้ามสอนอยากให้พวกเราทั้งหลายห ย, ยุดในการเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่แกไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรมีแต่มีแต่ดวงศีลและการดวงธรรมอะไรเราเป็นสินกบจิดใช้ิตใจนเรเป็นสิน ทำทำแต่ใจเด็กไปทำเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันปล่อยปากแล้ได้ไม่เอาใจใส่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ชาแนลขององค์หลวงพ่อผู้เผยปฏิบัติที่ทำที่พระพุทธเจ้าหลือพระอริยเจ้าท่านทานรู้ท่านเห็นก็คือทุกข์เลยประโยคแรกมันทุกหนึ่ง เ, เหตุที่ทุกเกิดอีหนึ่งนี่เลือกที่ข้อมดับทุกข์อีทำสามข้ออีหวัวทางก็ไปดับทุกข์เพราะฉะนั้นนะ่ะ โดยสมามันมองข้ามตนเองไปหาความดีภายนอกและไปหาความสุขภายนอกอย่างจริงแล้วเอาความสุขอันแท้จริงคือรวมจิตรว ใ, ใจของตนข้าสำราญจิตใจปราศ จ, จากมนท่นปรา จ, จากโทษปราศ จ, จากบาก จ, จากรรมที่นี่กรรมที่ทามาตแต่อดีตนม่นตองได้เสวยกรรมไปก่อน เมื่ออะไรมาปฏิบัติมาสร้างผลงานความดีสําหรับคําที่มันฝังอยู่ในวงกิเลสหมดไม่จะจะสิ้นไม่จะจะหมดหมดกรรมหมดเว้นเมื่อหมดกรรมหมดเวมันก็จะเลยูุ่ดในการเกิดถ้าเกิดก็จะไม่แก่ไม่เกิดไม่ตายหมดนั้นให้ทําความเข้าใจอย่ามองข้ามตนเด็งอย่าไปดุถูกตัวเองว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยวาสนาคือการกระทํามันไม่มีทําให้มีได้มันมีน้อยทําให้มากได้ เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมตัวแล้วก็อย่าลืมอย่าลืามปีดามานดาเพราะท่านจะยกขึ้นก่อนจะรับสีแบบะลึกถึงคุณมารดาดีก่อหน้าหมายถึงเลึเกถึงคุณมารดาคือท่าหน้าโมแล้วระลึกถึงคุณปีดาคือทายิ้มหนะน้าบนตัดราฟกวะโตพระกัลวะโตนั่นแหพระพุคเจ้าพระอรหันตท่านเป็พระอรหรรันต์สัมมาท่านตรัสรู้ชอบแล้วสัมผั ส, สทชศน์ทัศน์ะท่านเห็นชอบแล้ว นีัคืจากความหมายของน้ำมนต์เพราะฉะนั้นน้ามนต์พวกเราต้องยกไหวที่สูงกบบาบไหวชากาบมารดากาปีดากาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะไทุกนีสน้สรุ้แล้วเมื่อปฏิบัติมาสักตอนของตอนให้เป็นที่ปืนของตอนหนให้หนึ่ครับ อาพุทธะกับอยู่ที่นี่คือคือพุทธะคือดวจิตดวงใจคือตัวผู้รู้ธรรมะคือทาคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมัสสแต้วพระองค์ามาสอนไทละบาปบาเพ็ญบุญระชั่วกระทีนี่ท่านมาสอนนี่นใช่ไหมสัพพุทธะศาสนาพุทธะกับป็นพผู้รู้ผู้รู้ผู้เตือนผู้อะไรใครจะเป็นผู้รู้จิตใจของพวกเราเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เรนี้มันยังไม่เป็นผู้รู้มันเป็นผู้หลงอยู่มันหลงอะไรมันหลงตัวเนี่ะ ลูกไมก่เคยไปเยยมของภายนอกเป็นส น, นะไาเป็เที่พึ่งเพราะฉะนั้นกให้า ท, าทาราบการทำควอมเข้าใจชื่อฟเลยพาดไมรักษาเอาไม่ได้เมือ่อรักษาได้เนี่ยเป็นสมบัติของของเราทุกคนและจะเป็นที่บึ่งอันใกล้ที่สุดที่สุดดีที่สุดคือจิตใจเขาของตนเองอันบริสุทธิ์จะถามมาพวกเราจะปฏิบัตทิทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ไหนไม่ต้องสงสัยขอใหวลมือทำเพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจแล้วถึงจบ นะโมจตฺถามภวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตฺถามภวสโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตฺถามภวสโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เจ้อาม่ดูทยามีพุทธัง สัมมาจีธรรมะอนาทิสา ชะมาดาถนเวรมนีสิกาปันดังสมาธิามีสรามีรยามชะพมาดาวานเวรมีสิกาปันัสมาธิามีอาิปันจสิกาปันานีลนสมาจยันต ยันเจตัสมาที่ลังวิโสอวิธาเยสุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะทุกขาวินาสายะปริสังพลุทธังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทิยา สัพพะพยาวินาสายะปะริตังภูธมังคะลัวิปติปติพาหายะสัพพสัมปติติชยาสัพพะโรควินาสายะปะริตังภูธมังคะลัง ธรรมะนาตาตาวา One, two, three, f o u e v มาถึง and Uh, a n d h uh, e d t a k me and t r o a da, n a a